รู้สึกอบอุ่นใจมากมีปัญญาชนศึกษาของจริงให้เราได้เห็นกับหูกับตารับผัดด้วยกายด้วยใจของเราของแท้จริงอย่างไงชีวิตของเราเนี่ยเกอมจริงความหลงก็มีอยู่จริงมันก็หลงจริงจริงความหลงก็พาเราทําผิดพลาดได้จริงๆเกิดโทษเกิดภัยได้จริงๆริงความหลง มันจริงแต่มันไม่จริงพรามไม่หลงนะมันจริงกว่าให้เราได้เห็นกับชีวิตเราจริงๆลองดูของที่มันเป็นธรรมของที่เป็นอะธรรมอะธรรมย่อมนนไปนระกธรรมย่อมนำให้ถึงสุคตินี่ก็คือของจริงไม่เกิดขึ้นที่เราเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วก็เห็นจน มีกองทัพมีอาวุธมีคุกมีตารางเพราะคนหลงเพราะเป็นอาธรรมลองทูลสร้างป้องกันมีตัวบทกฎหมายเพราะอะไรเพราะป้องกันความหลงคืออาธรรมที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์มันจะต้องขนาดนั้นเลยสําเร็จได้เชื่อไหนเพียงไรต้นตอความอยู่ตรงไหนจริงๆมาดูมาพิสูจน์ดูอย่าไปเชื่อใครทําไมจึงกลัวลึกเกิน น่ากลัวขนาดต้องสร้างกำแพงสร้างที่อยู่ป้องกันจนหาชะตาพุทธมาป้องกันธรรมที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องใจโตขนาดนั้นถ้าเรามาดูจริงๆอะมันเกิดขึ้นที่เราความหลงมันอยู่จริงแต่มันไม่จริงวิชิตความหลงลองดูแต่ไปเชื่อใครไม่ต้องมาบอกว่าความหลงบันดีความหลงไม่ดี ไม่ใครที่มาบอกเราเรื่องใด้นอกจากเราไปสัมผัสเอาต่อหน้าต่อตาเรามันมีอยู่จริงไหมเวื่หลงมันจริงแค่ไหนความไม่หลงมีจริงไหมพิชิตกันลองดูรมและทำเนี่ยพิชิตกันลองดูลูกจกเลือกได้ไหมเลือกเป็นไหมหรือจะยอมแพ้เรื่องนี้เราจะอยู่กันยังไงชีวิตของเรา ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวในโลกนี้ถ้าหากว่าเรามีเตจหลงเราจะอยู่กันยังไงล่ะมีแตจธรรมเกิดขึ้นกับคนทุกผู้ทุกคนหรอมันจะสู้ไก่ไม่ได้อะมนุษย์นะถ่าเรามีํรรมแล้วมก็เจ่งกว่าสัตว์ทุกประเภทต่ว่าสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นตรงไหนกันแน่แล้วก็มีภาระแล้ว มีปัญหาต่อกันแล้วกันแล้วในโลกเนี่ยชีวิตของเรา น, ะนี่วันยี่สิบหกยี่บแปดยี่บเ้าวนี่ยจะมีอง์การป้องกันคนหลงยาเสพติดที่อเาเภอแจ้งข้อจับมาให้เราสองรอยคนมันก็ต้องกระังนั้นต้องมีงบประมาณต้องมีสถานที่ในเภอแจ้งข้อก็เลือกเอาสถานที่วัดเรามาเป็นสถานที่ พือควบลมขนหลงในเรื่องยาเสพติดต้องลงทุนลงแรงชิ่นเปลืองขนาดไหนกองหลงเนี่ยอาธรรมเนี่ยแล้วเราจะช่วยเราไปได้เลยทำไมจึงให้ในายอ่เภอให้ตำรวจให้ผู้ยหญ่บ้านจับมาไม่อายเลยกลับมาแล้วมานอนเฝ้าประตูวัด อ, อวตอ โลพอพออะไรต้องมานอนเข้าประตูวัดเพื่อให้มันหนีออกนอกวัดไปได้มันอยู่เือมันไม่อยู่มันปิงกระแพงออกไปทางหนึ่งสำรวจดูแลหายไปสิบคนยี่สิบคนก็ต้องตามให้ตำรวจตามก็ไม่ดีหลงตาก็เป็นพูดตามไปแต่คนนี้อยู่บ้านนี้บ้านเลไที่นี้ไปบอกพ่อบอกแม่ คนประเภทนั้นให้พ่อแม่เคารบทราบว่านี่คนชื่อนี้บ้านนี้เป็นลูกของพ่อนี้แม่นี้ถ้าไม่เข้าอบรมให้สําเร็จคอสนี้จะเดินอยู่ในถนนทางในประเทศไทยไม่ได้ทุกเส้นต้องเดินอยู่ในป่าในทงเราจะเป็นอย่างนั้นหรือก็เค่ห้าวันหวันเนี้อบรมกันลองดูหรือจะให้ไปจับไปเข้าค่ายทหารอยู่เป็นสองสามเดือน เดี่งันก็ได้แต่ว่าไม่บีศละแน่นอนเดินตามถน น, นไปได้จะเป็นสัตว์ป่าหรือะถ้าหากว่าให้เกิดความเห็นอย่างนี้เราไม่ตังเกียดใครเราจะช่วยเหลือกับไปเถอะวิสูตร์ว่ต้องไปจับไม่ต้องหรวดไปเลยเราไปพูดคำนี้มันก็ยอมอ่ะก็ยอมกับขึ้นมาเดินตามคนเราค่อยๆมาเนี่ยมันขนาดนั่นหรือคนเรา จะเดินตามถนนไม่ได้จะเอาอย่างนั้นเลยตรงไหนเราชีวิตของเรามันคือชีวิตจริงๆที่มันพึ่งพาอาศัยกันได้แล้มีพ่อแม่ลูกหลานพี่น้อ ง, องกันนะจะไม่ศึกษาเรงนี้หรือมาพิสูจน์ลองดูเชิญมาดูเชิญมาดูด้วยตนเองด้วยตนเองต้องมาดูแบบนี้มาศึกษาแบบนี้กันท่าทั้งมาเห็นไหมโดยเพราะปัญญาชนท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องใจกว้าง รับผิดชอบการเกิดเจ็เจ็บตายของคนในโลกสร้างสันติสุขสันติภาพเกิดขึ้นด้วยมือห้านิ้วจีบนิ้วของเราเนาี่ยร่วมมือกันเถอะพวกเราอย่าโทษทิ้งกันกําลังจิตจิตป้ายวัดป่าสุโขโตอาสาสมัครเขียนปิดลถอิติไว้ให้จ่าสักสินให้ว่าอาสาสมัครสุโขโตรับช่วยเหลือการเกิดแจ่เจ็บตาย ก็ยินดีบริการแล้วก็เที่ยวนีเนาะแต่ว่าใจมันขั้วสองคืนสามคืนผ่านมาล้นตาก็ไปช่วยคนตายคนเก็บทําให้คนผู้อยู่เบื้องหลังเป็นทุกข์ก็หายทุกข์ได้บ้างให้มองออกว่าความไม่เที่ยงเป็นยังไงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ความเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือกรารตัดพากจากของรล่าของชอบใจเป็นทุกข์หรือไม่ใช่แต่เราไปอยู่ตรงนั้นทําไมความไม่เที่ยง มันก็เป็นปัญญาความเป็นทุกข์ก็เป็นปัญญาทำไมจะยอมร้องห่มร้องไห้กันอยู่เห็นให้ชัดเจนซะจะได้ไม่ร้องไห้จะได้ไม่เป็นทุกข์จะได้ขยันขันแข็งทำความดีมันมีจริงๆความดีเป็นผลรับปออกบมาจริงๆไมสะดุด้งเพราะมาบกรรมของตนเพราะเราทำดี เนี่ยคิตของพระท่านทั้งหลายยังมุมน้อยกําลังที่จะต้องทําอะไรได้สําเร็จมากทีเดียวไปช่วยกันช่วยตัวเราด้วยช่วยคนอื่นด้วยนั่นเป็นความสุขชนิดหนึ่งไม่มีอะไรขวงกันเราได้เราใกความเมตตาก็นาต่อกันอ่ะมหาสมุทรสองมหาสมุทรก็ขวงกันเราไม่ได้กูขอแบ่งน้ําำ้าขวางกันเราไม่ได้ เราต้องใจกว้างหนึ่งละเป็นพระวิศัชต์ในหัวใจเราที่จะช่วยสิ่งเื่นวัตถุอื่นมีน้ําใจเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเสมออย่าทำให้ตัวเองเศร้าหมองฝึกเอาหัดเอาสอนตนเอามันมีให้เราเห็นอยู่ใช่ไหมบางทีมันเบื่อหน่ายมีไหมบางทีมันทั้งอถอยคิดฝงสานโมเนี่ย มันมาแสดงเป็นฉากออกมาแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้มนไม่ได้อยู่นิ่งดอกเพราะว่ามันเป็นกายสังขารจิตสังขารเป็นรูปเป็นนามในรูปก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่งนานสักหน่อยก็เกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ได้หิวร้อนหนาวก็เป็นสุขเป็นทุก ข, ข์กได้เรามาเห็นให้มันจบไปซะนี่คือทุกข์หรือนี่คือสุขหรือ นี่ความายเที่ยงหรือนี่ความายช่ยตัวตนหรือเห็นจบไปแล้วจบตั้งแต่อยู่วัดปาสุโโตนมื่เกิดขึ้นมาอะไรก็รู้แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นเคยเป็นทุกข์จนที่เราจเจาะมาเป็นทุกข์เป็นสุขเราก็บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วอัญญาสิอัญญาสิรู้แล้วรู้แล้ ว, รล ว, รลวพระเจ้าเทศนนาเกันแรกมีผู้ฟังห้าคน มีอัญญากคนัญญะมีวัฏปะปฏิยมหานามะอจชิอัญญากคนัญญะเนี่ยชื่อคนพัญญาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปจิตใส่ใจตามงา น, นอยู่กับเราพระพุทธเจ้าพูดเป็นเสียงออกจากพระโอษของพระพเจ้ามันก็อยู่กับเราดีว่ามีสติเห็นกายอยู่เป็นประจํา เห็นกายในกายเป็นประจําถอนค่วงพอใจและความโหยใจในกายในโลกออกเสียได้มีสัมเจะมีสติคำบ้องดูตามคําพูดมีไหมในกายเป็นชีวิตเกิดขึ้นเพราะกายเป็นตัวเป็นตนเรื่องกายอะไรบ้างเป็นพบเป็นชาติเกี่ยวกายเป็นสุขเป็นทุกข์เกี่ยวกายเป็นความรักความชังคอใจเสียใจเป็นอะไรที่เกิดกับกายถอนลงมาได้ไหมมีสติสัมปชัญญะ ถอนออกมาวางออกมามารู้สึกตัวที่ไหนคือทีนั้นหนึ่งครั้งก็รู้หนึ่งครัง้งมันก็จํานานได้แต่ที่แรกก็ต้องฝึกขาดมีเวทนาในเวทนาเป็นประจําเป็นสุขเป็นทุกข์มีสติชัชญะถอนความพอใจเลิกความพอใจในเวทนาออกเสียได้อย่า เ, อาเวทนาเป็นสุขอย่า เ, อาเวทนาเป็นทุกข์ เป็นสา ว, วาเวทนาไม่ใช่ตัวใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตัวใช่ตนถอนลงมัโกรณัญเพล่าฟั ง, ฟงกนั ญ, ญละรูปไปรูปไปรูกไ ป, กไ ป, กไปทำไปด้วยรูปไปด้วยพี่เจ้าเทศไปด้วยแสดงทำไปด้วยก็เห็นอยู่เหมือนกับฉายภาพอันเหตุของจริงของเทศยังไงเจ้าแสดงวิธีการกจระทํำปัญญากรณัย ก, ก็งึ๊กว่าง ในใจเกินความรู้สึกก็ไปในคิดใจของท่านบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเหมือ น, นกับเราฟังครูอาจารย์สอนเราเรียนวิชาในสังกัดต่างๆมารู้แล้วสองห้าบวกกันมาเท่าไหร่สองห้าบวกกันเป็นสิบรู้แล้วเป็นสิบอไม่ถูกต้องเป็นเก้าก็ไม่ถูกมันต้องเป็นสิบสองห้าบวกกันเป็นสิบรู้แล้วรู้แล้วที่ไหนก็ตอบจากนี้ความถูกต้องมันมีอย่างนี้ ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนแท้ๆเราก็ไม่เที่ยงมาเป็นสุขเป็นทุกขท์ทำไมกัญนตระย่าพรมฟังไปก็ เ, เลยรู้แล้วรู้แล้วเรียก ว, ว่าอัญญาสิอัญญาสิแต่ก่อนคนทัญญาคนตัญญาก็รูญญ้แลว้วรู้แลว้วก็ให้สัพ น, นามนําหน้าว่าอัญญาสิวัตโพกน่นตัญโยอัญญาสิวัตโพก่นตัญโยอัญญาลู่แล้วหรืออัญญาลู่แล้วหนอ อข้าวจากจรู้แล้ ว, ลวความรู้ที่มันเห็นเข้าไปนี่ไม่ใช่รู้แบบจํามันรู้แบบพบเห็นการก็มาถานวิชาการกําม า, านไม่ใช่สอนให้จาเอาเป็นการสอนให้พบเห็นเอาสัมผัสเอาไม่มีคําถามไม่มีคําอธิบายประจักแก่งกับผู้ปฏิบัติเองน้อมหมายใส่ตัวเราเองเป็นประจจตังของผู้กระทาเอง นี่มันจริงขนาดไหนไม่ต้องถามใครความทุกข์มันจริงไหมความไม่ทุกข์มันจริงไหมความหลงมันจริงไหมความไม่หลงมันจริงไหมแค่นี้เราก็ไปเสียเปรียบมันเราเคยเสียเปรียบความทุกข์เราเคยเสียเปรียบความหลงเสียเปรียบความโกรธจนเกิดปัญหาเจอตัวเ อ, องได้คนอื่นถ้าเราทุกคนมารู้เรื่องนี้มาเจอเรื่องนี้ อันอื่นก็รู้ถ้ารู้ตัวเองก็ารู้คนอื่นด้วยเห็นคนอื่นหลงเราก็แทนที่ใจโกรธเขาก็เห็นใจเขาแต่ก่อนถ้าคนอื่นหลงคนอื่นโกรธเราก็ค่อยโกรธตามเขาเขาด่าเราเราก็โกรธตามเขาดา่าคนที่ด่าเราได้เพราะเขาหลงแล้วพนที่ทําอะไรผิดก็คือเขาหลงแล้วความหลงเป็นเหตุทําให้เขาทําผิดพูดผิดคีดผิดไป แล้วก็รู้จักห ล, ลกรู้หลบเป็นปีกรู้เหตุเป็นห า, างเกี่ยวข้องเอาชีวิตของผู้คนทั้งหลายอีกช่างติวปาหลีกันบ้าร้อยเส้นเ้ยหลีกช่างไหมผงตามาทางเขาใหญ่กลับจากไต้หวันขนะ้ามเขาใหญ่มาช้างดอดตัวหนึ่งอันถือพุทธไม้ใบยืนอยู่ข้างกลางถนนก็มีรถ คนหลังกล่มนึงถู่ข้างหน้ามัานทางโน้นเราก็จอดตรงนี้ช่างมันอยู่ตรงกลางมันเห็นรถเราเขาก็เลยห ม, มุนมือวิ่งมาใส่รถเออต้าก็บอกว่าอย่า ก, กดแต่นะถอยหลังถอยหลังก็วิ่งเหม่งมือมันหน้าบึง้งเปิงใส่มาจะทุบรถเราเข้าไปคิดที่จะใดเราก็บอกว่าถอยถอยอย่า ก, กดแต่อย่าเปิดไฟ ถอยอย่างเดียวถอยถอยมันมันถ้าจะวิ่งอะไรเราขับรถเร็วเข้าถอยหลังก็ตามไล่ไปไ ป, ปนี่ไปนู่นเราก็ถอยไปถอยไปอไปมาก็หัวมันก็เปึงออกหันหัวกลับไปไปจับฟุไม้มาตีนวดตีนี่มันดอช่างดอง้างแค่นี้น่นาสนุกไหมตีช่างชิบแต่ไปชู้มันมันชู้มันไม่ได้แล้วไม่มีประโยชน์เลย สางไหนจะหลบ ก, ก็หลบไปก่อนก็อยู่เรก็ปลอดภยัยก็เดินออกไปนอกทางเราก็ขับรถไปยืนใกล้ๆมันอีกไม่กลัวมันนะก็เอากล้องมาถ่ายมันเพราะว่าจะเปิดแฟกนะจะช่างมันไม่ชอบแฟดก็ให้ท่านนวดถ่ายภาพมันดูเล่นๆแบบอันนี้ช่างจริงๆนะไม่ใช่คำพูดอดีช่างจีบว่าดีคนว่าร้อยเส้นคนว่มันร้อยกว่าช่างนะอ่านคนในไร ห, หลงคนเล่าทุกเนี่ยฮะ ให้เราจจหลบจักรีให้พูดในเวลาเขาโกรธเวลาเขาดุเขาด่ากันเราอยู่ไลยไปพูดกับเขาอดไว้ก่อนพอนไว้ก่อนไม่เกิงหนกักสักหน่อยเขาก็อยู่ที่องน่นี่ก็เราก็รู้รู้เรารู้เขาเราจะช่วยคนเราจะดูแลคนเราจะสัมผัสกับผู้กับคนเราต้องรู้เรารู้เรื่องนี้จริงๆรู้เรื่องความหลงความรู้รู้เรื่องความทุกข์ความไม่ทุกข์รู้เรื่องความโกรธความไม่โกรธ เรื่องความผิดความไม่ผิดมันเปลี่ยนได้จริงๆให้เป็นนักกีฬาเป็นแคบเรื่องนี้กันบ้างเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกนะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เนี่ยเปลี่ยนอะไรที่มันไม่ดีให้เป็นเรื่องดีเรื่องถูกต้องนะให้มันเจ๋งเรื่องนี้ลองดูสิจะเป็นยังไงโลกเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงไมันจะพ้นภาวะเก่าไหมภาวะเก่ามันคืออะไรเคยทุกข์เคยทุกข์เคยโกรธเคยหลงมันก็พ้นได้จริงๆ ความตาพูดอยู่เสมอวความทุกข์หลงไปข้างสุดท้ายความโกรธไปข้างสุดท้ายความทุกข์ไปข้างสุดท้ายด้วยน่าเสียใจจริงๆเสียดายจริงๆชีวิตของเราเนี่ยไม่ไปเสียเปรียบความหลงความโกรธทำไมกันเดือดร้อนวางดีความโกรธท่วขหลงทำํำไมพ่อแม่เดือดร้อนด้วยใครๆเขาเดือดร้อนเพราะความไม่ดีของเราเน่ะทําไมจึงทํานะมันเปลี่ยนได้อยู่ อย่างพระสวดบังสุกุลได้ยินไหมอา น, นิจาวัตสังฆาดาปัทวาญาธรร ม, มโนปิคิตวานิโรชนติเตสังบูปสัมโมสุขุไปพักไปว่าอะไรเรารู้อะไรได้บุญแล้วหรือโดยที่เสืส่อนบนญได้บุญแล้วแต่ว่าบังสุกุลให้หลงตาอต่เอาไปกินแล้วได้ได้เงินได้ทองได้เสือ้อได้ผ้าได้ชีวอน มันอยู่ตรงไหนอันนี้เจ้า ว, วสาัสังขลราสังขารเกิดขึ้นจาเราล่าหนอมันปรุงแต่งเราหนอมือเคี่ยงดีอยู่เดี๋ยวนี้มันหลงมันโกดทำไมไอ้เช้าก็ยังรักลกันอยู่เดี๋ยวนี้มันทะเลาะกันทำไมโอ้นี่เป็นผลงานของสังขารหนอสามีพัรยาทะเลาะกันเพื่อนทะเลาะกันพ่อแม่ะทะเลาะกับลูก สังขารต่างๆไม่ใช่พ่อกับแม่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เพื่อนแต่ใช่เพื่อนอันตัวนั้นเป็นตัวสังขารเพื่อนเราจังเพือนอยู่เพื่อนมันทะเลาะกันให้เป็นแต่ใดมันเกิดทเลาะกันว่าฝีมือของสังขารมันเกิดขึ้นแ่เราแล้วเนออปุปบอทาวะจะทำไม่โนไปยึดไปทำไมนึกว่าเราหรือความโกรธความเครียดเช่ น, นจริงจังเป็นตัวเราหรืออย่าไปยึดวางดูซิ อุปเทวไว้ทําเมนโนอุปชิดตะวานโลชันติวางได้อยู่วางได้อยู่เวลามื่โกรธแล้วไม่โกรธก็ได้อย่าพูดในเวลาโกรธอย่าทําอะไรในเวลาโกรธอดชั่งหน่อยแล้วได้อยู่ได้ได้อยู่อุปชิดตะวันโลชันติเต๋าสังหูราจสุโขเมื่อทําความโกรธให้เป็นความไม่โกรธได้อยู่เป็นสุขเป็นสุขดีกว่าเป็นความโกรธความไม่โกรธดีกว่าความโกรธ เปลนลองดูว่าจะเป็นผลลพธ์ภระชาติไปเลยหัด ก, กันตรงนี้ไม่ใช่ไปเจองเรื่องใดเราพวกเราสอนกันแบบนี้ไม่สอนให้ท่านมีวุตติภาวะได้ตําแหน่งอะไรไม่ใช่เป็นคนธรรมถ้าเป็นความงามงามภายในภายนอกก็จะไม่งามขี่เลหลอ่ะแต่ภายในมันงามถ้าเป็นการรวยก็รวยภายในภายนอกก็จะยากจน ในบาดไปเดียวขอขหนเปิดภายในมันมั่งมีไม่เคยจนในเรื่องนี้เลยมีความอิ่มใจมีความปกติอยู่เป็นปกติจะเจ็บจะป่วยก็ปกติจะหิวจะร้อนกันหนาวก็ปกติภายในของเรานะ่ะน่าอยากให้เราทุกคนมาสัมผัสเรื่องนี้ให้ได้มันเป็นคุณค่าชีวิตเราจริงๆเนะี่ยไม่มีวิธีใดที่จะสอนกันได้ ช่วยกันได้นอกจากมาทําอย่างนี้หัดตนอย่างนี้ให้เห็นเองหัดเดินเอกเองหัดลุกขันนั่งเอาเองตั้งไข่เอาเองเงั้นเด็กตั้งไข่พอแี่หัดให้ลูกนั่งตั้งไข่ตั้งไข่เอลมันตั้งขึ้นมันล้นเนี่ยเพราะมันเซไปเอามาตั้งเองเซตั้งเองอะหัดตั้งไข่ตั้งอเอามาก็แข่ง แ, งแรงเวลาวิ่งไปมันล้ม เรามันล้มแม่กบอกว่าคุปุป้ปปปหนูคุปหนูลุกขึ้นลุกขึ้นเด็กน้อยก็ลุกขึ้ น, ม, น, ม, ม, น ม, มันล้มมันก็ลุกเองมันลุกมันก็ลุกเองไปมาไม่ได้เจ๋งเลยเหมืนเพวกเรานะี่ยเจ๋งอะไรเดินได้โดยผีเท่าของตัวเรากดเราก็แช่ความกดได้โดยตัวเราเองมันทุกเราแช่ทุกได้ตัวเรามันหลงเราก็แช่หลงได้ด้วยตัวเราเองพอตัวในโลกนี้จะเป็นอะไรเราลุยมันไลยเลยถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้ว ทำไมเราจึงไม่ต้องศึกษาเรื่องนี้กันอให้โกจนตายหลงจนตายทุกจนตายหรือเราเนี่ยอ่าเป็นสักีพยานเรื่งนี้ว่ามันจริงอันนี้ความหลงก็หลงจนทําชั่วติดคุกติดลาความโกรธทำชั่วจนฆ่ากันตายแยกแย้ายกันทิ้งครอบทิ้งขงัวทิ้งผัวทิ้งเมยียทิ้งเพื่อนทิ้งบ้านกระโดดหน้าตายเพราะความโกร ผูกค อ, อตายเพราความโกรธเอาปืนมายิงตัวตายเขาพรความโกรธฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าคนอื่นก็ได้อันนั้นแหะเป็นฝีมือของความโกรธเป็นทั่วสังขารเป็นเจ้าสังขารนั้นปรุงมันแต่งเฉยๆสังขารนั้นไม่จริงวิสังขารมันจริงสังขารคือความหลงวิสังขารความรู้สึกตัวสังขารความโกรธวิสังขารความไม่โกรธอย่างนี้มันจริงอย่างนี้สังข า, า, ารเป็มาทุกขะสังขารเป็นปทุกข นิพพานนางประมังสุขังนิพพานเป็นสุขคือวิสังขารนิพพานเป็นวิสังขารไม่ปุ่งหยุดแล้วเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดพระองค์ริมานเป็นโจรร้อยไปดักฆ่าคนอยู่ข้างงวงสาวัตถีก็ต้องหานหากริส์พระเจ้า ปเสนที่โกรโสนจะไปประกาศให้ทั้งอัน ห, หันไปล้อมจับองเรมาลแม่พ่อขององเรมาลได้ยินเขาก็ย่อมคิดถึงลูกลูกนี่จะเป็นขนาดไหนก็ตามต้องคิดช่วยโดยคิดช่วยลกูกบ้านขององคเรมาลกับบ้านของอนาถาวิทย์กาเสตีใกล้ๆกันมีฐานะเท่าเทียมกันระหว่างสองครอบครัวน่ะ น, นแตกกองอิดใหญ่โต่ะก้องตาเคยไปดูแล้วพระเจ้าก็อยู่เขตตะ ว, วันใกล้ๆอย่างนั้นนอกเมืองก็อยู่แถวนั้นแระเจ้าเปเสนที่โกรลสนจะไปจับองค์ธีมา ن ฆ่าทิ้งมันเป็นโจรร้ายประกาศแต่พระพิจ้าก็มาชิดว่าเอ๊ะทำไงดีถ้าแม่พ่อของไอิมานต้องไปบอกลูกให้ลูกหนี ว่าลูกเอ้ยเขาจะมาจับเจ้าเราหนีจากนี่ไปอย่ามาอยู่นี่ถ้าพ่อแม่ไปบางทีพ่อแม่ไปพูดก่อนพ่อไม่กล้าไปแม่อาสาจะไปดูซิใช่ไหมแม่นี่หนักแท่นนะพ่อไม่กล้าก็แม่เพรว่าฉันจะไปโศตรายาลูกมันข่าก็ยอมให้มันข่าง่ามใจผู้หญิงเนี่ยรักลูกที่สุดละพะพุทเจ้าก็ทราบเรื่องนี้เข้า ก็เลยพ่กองค์ลีมารจะจําแม่ไม่ได้แม่เดินไปตอนเช้าขอใจลูกเอ้ย อ, อหิงสะกมารเชื่อหิงนะอหิงสะกุมาพรพอมาฆ่าคนตายเลยเชื่อองคุรีบาเพราะเอากระดูกนิ้วมือมาห้อยคอองค์ุลีคือกระดูกนิ้วคุลีคือนิ้วมือแต่ก่อนอหิงสะกมารชื่อดีนะไม่เบียร์เป็นใครพอไปหลกถูกหลอกแล้วก็เกิดฆ่าคนเลย ถ้าไงมานเนี่ยระเจ้าก็ไปก่อนแม่ขององค์เดมันที่จะไปถ้าข้าแม่ตายเน่องค์คดรัมันในจะเป็นนันาาติกรรมเป็นบาปหนักไม่มีบุญอะไรใ น, นาชาติเนี่ยจะไปช่วยองค์เดรัมานลองดูก็ไปอ่ะก็ไปองค์เดรัมันเห็นจับดอกพืชออกมาถ้าเป็นแม่ไปลังเสียดเป็นบ่อเลนมาไหวแล้วพูดเถอะแม่ พู้เจ้าไปไปก็องคุย ว, วางวิ่งออกจากตอนมาจับดนะยุดวิ่งใส่พระเจ้าพู้เจ้ากวิ่งใช่ไหมต้องวิ่งนะองคุยวางก็บอกยุดยุดผเจ้าว่าไงเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดเลยว่ายุดอะไรมันวิ่งอย่นั้นสำเนาหรือทําไมโกหกอ่ตัวเองวิ่งอยู่ยังมาหยุดทำไมหรือทํำบาปทากันแล้วเราหยุดทาํทาทชั่วแล้ว แต่เธอยังจับดาบไล่ฟันเราอยู่เธอยังไม่หยุดเลยคิดได้ทันทีใช่ไหมโอปปหุเราเนะี่ยจับดาบจะฆ่าคนนะโอ้ยเจ้าสำเนาให้หยุดแล้วเราหยุดแล้วไม่ทํบาบาปทํากรรมอีกแล้วคิดได้คิดได้ทันทีเลยองค์ขี้มาน ก, ก็เป็นมันมีสติปัญญาแนละ้วโอปปหุเราเนะี่ยมันขนาดนี้หรือมาดูคอเตีงมีเด็กระดูกแนมือ ดาบก็วางมีแต่เลือดโอ้นี่หรือที่ยินเขาว่าโอรถสาธิราชของพระเจ้าสุตโธทัน์ออกบวดใจเป็นนงค์นี่ล่ะมะไม่เคยได้ยินครับพูดจย่างนี้เลยทิ้งดาบเลยใช่ไหมนี่แหละยิ่ทะกลมานที่ออกปวดเป็นพระเจ้าอาจจะเป็นนงค์นี่หรือมะนานเหลือเกินที่ได้ยินครับพูดจย่างนี้ทิ้งดาบลงก็หมดแรงเลยคุ้มลงร้องไห้เลยเด็กพระเจ้าก็กลับมา มาปลอบใจมาปลอบใจคะบางครั้เศร้ามองที่สุดเลยเห็นตัวบอบตัวกรรมของตนเดิมที่ตรรมากลับใจแล้วนี่เดินตามขั้นพระเจ้าไปเข้าเชดตะ ว, วันนอนเราเชดตะ ว, วันพระเจ้าววก็อบรมสั่งสอนน้ำตาร่วงรลอยเสียใจว่าไม่เงยหน้าเลยลก็ตลอดเวลาพระเจ้าเทศพระ สาธิบวก็อานอนพระกมอกกันแนะวช่วยอบรมไม่เป็นไรองค์ธรรมานเอ้ยช่วยเจ็ดตีตีเจ็ดหนอนเกือบเมื่อกับใจเสื้อใหม่ซะนี่จะลองให้มันขนาดนี้แล้วให้เขาบวชสะท่านบวดไม่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลกํากลังจะจั บ, จบโจมองค์ธรรมานอยู่แล้วเอาบวดซะโขนหัวให้บวชเธอจงไปพิสูจน์มือเธอทําไม่ไหนเรากะไว้ดีแล้ว จงมาปฏิบั ธ, ธรรมให้ดีเพื่อชิ้นทุกข์เกิดนะองค์เทวานนะองค์เทวานกับหอวงพ่อจิ๋วนั่งเศร้าพอดีพระเจ้าเฉิมที่โกศลประกาศจับโจรแล้วจะออกไปจับโจรจริงๆมักจะมากราบทูลพุะเจ้าโดยพาอมาร์มาทางเขตตะวันที่ตะวหลอกของเมืองตล้หลอกเขียงใต้ต่อเมืองสาวัตถีถ้าพระเฉลินที่โกศลก็ไปรกาศ ทหารทหารตั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะไปจับองค์ตีมานถ้าทิ้งซะมันทำบาปทำกรรมฆ่าคนตายไเนี่ยมันอยู่เนี่ยเพราะพระองค์ทรงให้ความเห็นใจข้าพเจ้าจะให้ทำยังไงดีทุกเจ้าก็บอถ้าองค์ตีมานถ้าองค์ตีมานคนดีกลับตัวไม่เป็นโจรผู้ร้ายข้าพระองค์จะทำยังไงพระเจ้าประเสริฐประสงค์ข้าพระองค์จะอุปถากเหมือนกับสงฆ์ทุกลูกเลย ต้องขึ้นมาเคนดีหรือคะถ้าเขาบวชพระพเจ้าจะอุปถากให้กีบวรให้บินธบาตต้องขึ้นมาบวชได้พระเจ้าก็ขี่เทงนี่องค์ขึ้มานั่งอยู่องค์ขึมาก็นั่งอยู่แล้วเดี๋ยวพระเจ้าไปเสด็จที่กุศลโนกทุลุโอ้เป็นปบบนี้เลยฟังกักงก้มกราบให้คาราบะให้อุปถากให้กีบวรบินธบาตขอเป็นอุปถากให้ดีไปเรื่อยๆไปอยู่ในระแวก เพจตะวันไปบินทาบาทตอนเช้าวิิงท้องแก่คนตน่งจะไปตักน้ำจำได้องคุิบาไม่ใช่คนกระถ้วยกระแตนะเป็นคนสวยสูงงามนะเพเป็นลูกของเศรษฐีคนตเห็นหญิงคนนั้นก็จำได้โอ้พอออกรปตู ว, วัดจะบินทาบาทจญิงว่านหับคุไปเอ่อแข็งแกร่งเห็นเจอก็สะดึงเลย อฮ้ยตกใจ ก, กลัวองค์ขี้มันจะคายเลยเสลี่เสละไปอาบน้ำเลยองค์ขีมัก็พูดกันว่ายาตัวหางพัคคินีใช่ไหมใช่ได้สูตรนี้ปะ่ะเออหลงต่อเอามาเปลี่ยนคาถาทำให้ออกลูกง่ายแต่ก่อนเป็นหมอตำแยนะมาเสกสน้ำเอามาย oh ah, ah, ah, ah, าตัวหางพัคคินีอลยาใช้ที่ชาโตชาวเนยมาแปลาน้องหญิงองค์ขีมัน ไม่ทำแบบํทำบาปทากรรมอีกแล้วข อ, อน้องหญิงลูกกันมาจะให้มีความสุขเถิดแม่แต่ลูกอยู่ในครันของน้องหญิงก็ให้มีความสุขเถิดพอพูดคำนี้ไปหญิงก็นั่งก็คลอดลูก ท, ทันทีเลยเอามาเป็นคาถาทําให้น้ําเหมือนคลอดลูกง่ายเท่าทุกวันใ น, ในมือทุกโ ต, ต, ตไป